จเจริญสติให้เยอะๆนะวิธีจเจริญสติก็คือหัดอ่านสภาวะธรรมนะคอยรู้สึกในตัวสภาวะธรรมไปเรื่อยๆอย่ารู้สึกในตัวร่างกายนะร่างกายมันหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกคอยรู้สึกไป อย่างขณะเนี้ยร่างกายเรานั่งอยู่พอเราเห็นพระเข้ามาใจเราก็อยากดูเห็นอะไรไหวๆใจอยากดูจิตมันก็สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวอั น, อนมองโน้นมองนีเน้เป็นไ ป, น ป, นปนตามที่จิตมันสั่งเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆเห็นร่างกายมันเหมือ น, น, นหุ่นยนต์ตัวหนึ่ง มันโปรแกรมให้ทำงานด้วยจิตเฝ้ารู้เฝ้าดูไปต่อไปก็ล้างความเห็นผิดกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งท่านั้นเองเนี่ยพยักหน้ารู้สึกมันไม่ได้ลึกลับอะไรเลยนะการปฏิบัติธรรมอะคอยรู้สึกตัวไว้แล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจไป นั่งอยู่ก็รู้สึกหายใจอยู่ก็รู้สึกเคลื่อนไหวเมื่อเคลื่อนไหวรู้สึกถ้ารู้ได้เร็วก็จะเห็นจิตมันสั่นร่างกายก็เคลื่อนไหวส่วนจิตใจเราก็คอยรู้สึกไปจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขจิตใจเราเดี๋ยวก็ทุก ใจิตใจเดียวก็ไม่ทุกไม่สุขเคยรู้สึกการดูจิตดูใจไม่ได้ดูด้วยลูกตาแตไมันก็แค่รู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจิตใจเท่านั้นเองอย่าไปวาดภาพการดูจิต เ, มเหมือนเราไปดูหนังดูละครอะไรงนันนะมันไม่ถูกเรื่องหรอกมันแค่รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจตัวเอง ความรู้สึกที่เกิดเกิดใจนะมีอยู่ตลอดเวลาพระอราหันต์มีไหมพระอราหันต์ก็มนะีความรู้สึกที่เกิดเกิดใจอย่างพวกเรานีมีเวทนาสามอย่างมีความทุกข์ในใจนะเขาเรียกว่าโท ม, มนัสเวทนานะเรียกแค่มันยุ่งไปงนั้นเอง ที่จริงก็คือทุกข์ของใจความสุขของใจเรียกสุขเวทนาจะเรียกให้ตามอภิธรรมก็เรียกว่าโสมนัตเวทนาให้ดูมีชู่อเยอะๆหลายแบบทางกายก็มีทุกขเวทนาสุขเวทนาสุขทุกขในกายถ้าทางใจก็เรียกโสมนัตเวทนา โทมนานัตเวทนาอุเบคาเวทนาตั้งชื่อให้เยอะๆดูเป็นวิชฉาการนะที่จริงเราไม่ต้องรู้ชื่อมันหรอกแต่เรารู้สภาวะมันความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นทั้งวันนะมันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเวทนาเนี่ยเป็นสภาวะธรรมเป็น เ, เรียกว่าเจตสิกสิ่งที่เกิดร่วมกับจิต ก็เวท น, นาเป็นของที่เกิดกับจิตทุกดวงถ้ามีจิตเมื่อไหร่ก็ต้องมีไม่สุขก็ทุกไม่สุขไม่ทุ ก, ก็เฉยเฉยงันถ้าเราจะหัดดูจิตดูใจตัวเองนะเราก็ดูความรู้สึกไปความรู้สึกสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ความรู้สึกสุขหายไปเราก็รู้ความรู้สึกทุกในใจเกิดขึ้นเราก็รู้ความรู้สึกทุก ในใจหายไปเราก็รู้ความเฉยๆเกิดขึ้นเราก็รู้ความเฉยๆหายไปเราก็รู้รก็คแค่นี้รู้ได้ไหมรู้ได้ทุกคนอย่างขณะเนี้ยใจเราสุขหรือใจเราทุกทำไมเราจะไม่รู้ต้องตั้งท่ารู้ไหม <c oughs> อย่างเงี้ยนะอย่างไม่มีอะไรดูแน่นๆไม่ได้ทุกไม่ได้เรื่องหรอกนี้ เหมือนคุยกับอมงอย่างก็ไม่รู้ดีนะไม่มาเกณฑ์หลวงพ่อให้ปิดปากด้วยแล้วนะูจะเทศยังไงเมื่อกี้ขำไหมความรู้สึกขำนะรู้ทันเวลาขำ ม, มีความสุขไหมนะมีความสุขงั้นตอนที่ขำเนี่ยมีกิเลสสองตัวนะตัวหนึ่งก็มี โมหะตัวหนึ่งก็มีโลภะทำงานอยู่ด้วยกันแต่ถ้าขำาเรามีสตินะจิตเป็นกุศลคําำไดนะ้เบิกบานได้เังนอเวลาดูจิตดูใจเนระก็ดูไปดูความรู้สึกนะเรียกว่ารู้สึกมากกว่าคำว่าดูจริงๆนะทำให้สับสน หลวงพ่อตอนไปเรียนกับหลวงปู่ดูนใหม่ๆดูจิตสะปวดตาเลยเนีน่ยนะดูจิตโอ้ ย, อยปวดแก้อยู่หลายปีนะเป็นปีๆเลยที่แท้เราไม่ได้เอาตาไปดูมันแค่รู้สึกรองแงน่หน้าสิรองแงน่หน้าดูเพดานใจเราสุขใจเราทุกข์รู้ไหม เห็นไหมไม่ใช่เอาตาไปดูนะเราดูเพดานอยู่แท้ๆเลยแต่ใจเราสุขหรือใจเราทุกเนี่ยเรารู้ด้วยความรู้สึกของเราขณะที่เรารู้ความรู้สึกสุขทุกขในใจสังเกตไหมตาสักว่ามองไปไงั้นเองมองไปไงั้นเองแต่ว่าความรู้สึกมันมาอยู่ที่ใจนั้นเราปฏิบัติธรรมนะเรารู้สึกเอารู้สึกเอา เวลาจะดูกายก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายในขั้นต้นรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายต่อไปก็รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายจะดูจิตใจก็รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจสิ่งที่เกิดกับจิตใจไม่ได้มีแค่สุขทุกข์เฉย ย่งมีสิ่งที่เป็นกุศลนะกุศลเกิดร่วมด้วยเวลาโกรธนะก็รู้ว่าโกรธคนส่วนใหญ่เวลาโกรธเนะี่ยมันจะทุ่มเทความสนใจไปที่คนหรือสัตว์หรือสิ่งของที่ทำให้โกรธนะเคยโกรธมาไหมเคยโกรธแมวไหมเนี่ยโกรธข้างนอกนะเคยโกรธตัวเองไหมเนะี่ย เวลาโกรธตัวเองเนะียมันจะไปหลงอยู่ที่ไหนดูออกเปล่าอยู่ที่กายเปล่าอยู่ที่ใจไหมไปอยู่ในความคิดนะถ้ารู้ว่าใจโกรธความโกรธจะดับทันทีแต่ที่โกรธขึ้นมาเนี่ยใจหลงไปอยู่ในความคิดเนะี่ยค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปคนไหนขี้โกรธ เราใช้ตัวโกรธเนี่ยมาทํากรรมฐานเห็นไหมตัวโกรธมีประโยชน์คนไหนขี้โกรธบ้างโกรธแกงยกมือซิยกมือหน่อยยุคนี้ต้องขี้โมโหนะไม่ใช่ขี้โมโหก็ไม่ใช่พวกเดียวกันนะครูบาอาจารย์บอกหลวงพ่อเมื่อสามสิบปีก่อนเมื่อสามสิบปีก่อนสัตว์นรกเนี้ขึ้นมาเกิดเยอะนะตอนที่ท่านบอกเนี่ย มันก็ต้องเกิดก่อนหน้านั้นด้วยบอกสรนนรกขึ้นมามากเลยต่อไปบ้านเมืองลำบากนะเดนนี้ลำบากไหมลาบากมอยู่ดีๆคนมันก็เอาเราไปใส่หีบโยนน้ำอะไรอย่างเงี้ยบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็จับคนมาฆ่าเล่นอะไรย่างเงี้ยอยากปล้นก็เที่ยวยิงส่งเด็ดไป แค่อยากได้ทองก็เที่ยวค่าคนตั้งเยอะตั้งแยะไม่ธรรมดาถ้าจิตของคนซึ่งเป็นกุศลมีพื้นของกุศลมันทำไม่ได้เด็ดขาดเลยถ้าจิตมันเป็นพื้นของอกุศลมามันคุ้นเคยที่จะทำบาปหน้าตาเฉยทำแล้วเฉยเฉยบางทีสนุกนะทำบาปแล้วสนุกพวกเราเคยเป็นไหมทำบาปแล้วสนุกเคยมีไหม นึกให้ดีมีไหมเวลายุงมากัดเราเราตบมันพัวเนียสะใจไหมสมน้ำหน้ามึง น, นะบางอ่านรลักศัพท์ทำลายร่างกายอย่างงี้ยโทษทำลายร่างกายในทหารปะ <c oughs> ไม่ถึกนะแต่รับทหารสะใจเห็นยุงมานะถ้า ก, กระดุกกระดิกมันก็ไม่กัดนะนิ่งๆล่อมึงเดี๋ยวมึงมาเกาะแลสวก็ก์เลย เนี่ยทำบาปแล้วสนุกใครเคยทำอย่างนี้ใครเคยไ ม, ไม่เฉพาะยุงนะหมายถึงทำบาปแล้วสนุกมั้งนี่ก็เป็นเครื่องชีวัด ต, ตัวหนึ่งว่ามาจากไหน <c oughs> มันคุ้นเคยคุ้นเคยสัตว์ที่อยู่ในอาบายจนชินนะมันก็ชินกากุศลทำง่ายเคยมีคนตั้งปัญหาว่า ระหว่างกุศลกับอกุศลอันไหนทำยากกว่ากันพวกเรารู้สึกไหมอันไหนทำยากกว่ากันใครรู้สึกว่ากุศลทำยากยกมือซิชิดมากแนละเอาไงดีวะเนะนี่ยจอมปลอมจอมปลอมหมายถึงอะไรปลอมเก่งนะจอมปลอมพระุทธเจ้าท่านบอกคนส่วนใหญ่จะคิดว่า อกุศลบาปทําบาปมันง่ายทําบุญมันยากพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกงั้นนะท่านบอกว่าคนดีมันทําบาปยากทําบุญง่ายคนชั่วมันทําทําความชั่วนะทําบาปง่ายทําดียากเพราะมันอยู่ที่พื้นของเราพื้นจิตใจของเราถ้าเราคุ้นเคยเรามาจากอบายเมื่อทําทชั่วง่าย อยากเป็นชู้เขาก็เป็นอยากขโมยก็ขโมยอยากทำร้ายก็ทำร้ายเพราะมันเคยชินนี่เราหัดรู้หัดดูไม่ใช่เพื่อเข้าไปแก้ไขนะเราหัดรู้หัดดูไปเพื่อให้เกิดปัญญาสูงกว่าการควบคุมแก้ไขอย่างเวลาโทสะเกิดเงี้ยเรารู้ว่ามีโทสะแทนที่จะไปรู้ ว่าไอ้คนเนี้ยทําให้เราโกรธนะคนส่วนใหญ่ยังขับรถอยู่เขาปาดหน้าเขาปาดหน้าเราจะดูอะไรเราจะดูไอ้คันที่ปาดเราใช่ไหมเราจะต้องไปเอาคืนใครเคยขับรถแล้วถูกปาดเล้จะเอาคืนบ้างยกมือสิหลวงพ่อด้วยแหละนะ <laughs> เพราะฉนั้นเวลาเราโกรธเราจะดูสิ่งที่ทําให้เราโกรธนะเวลาเรารัก เราเค่ยจะดูสนใจไปในสิ่งที่เรารักไม่มีโอกาสที่จะดูตัวเองนะับปฏิบัติเนี้ยตาเขามองเห็นหูก็ได้ยินใจก็คิดเหมือนคนปกติพอกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเหมือนคนปกตินะเราต่างกับคนปกตินิดเดียวเอง ก็คือเกิดสุขเรารู้เกิดทุกเรารู้เกิดดีเกิดชั่วเรารู้เรารู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจตนเองเนี่ยที่ต่างกับคนทั่วไปต่างแค่นี้เองนั่นต่างแค่นี้เองเานันปฏิบัติไม่ใช่คนทําจิตให้ว่างทําจิตว่าง ใครมาด่าแม่เ็เฉยนะไม่รู้ร้อนรู้หนาวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะไม่ใช่มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นกระทบรสมีกายกระทบสัมผัสมีใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งให้มันกระทบไปตามธรรมชาตินะแต่กระทบแล้วเกิดปฏิกิริยาใดๆขึ้นมานะเกิดชอบเกิดไม่ชอบ เกิดโลกโกรดหลงนึกเกิดจิตที่เป็นกุศลมีสติตามรู้ไปพูดถึงมีสติก็ฟังแเราก็น่ากลัวนะก็แค่คอยรู้สึกไปคอยรู้สึกไปฟังบอกให้มีสติตามรู้น่ากลัวไหมรู้สึกต้องทำอะไรที่พิสดารที่จริงไม่มีอะไรมากหรอกแค่รู้สึก เวลาโกรธแค่รู้สึกว่ากําลังโกรธอยูนะ่แค่รู้สึกว่าจิตมันโกรธเฝ้ารู้เฝ้าดูไปทีแรกมันรู้สึกเราโกรธนะพอดูไปบ่อยๆเราจะเห็นเลยไม่ใช่เราโกรธความโกรธเป็นสิ่งที่เราไปเห็นเข้านะไม่ใช่เราโกรธแล้แต่ความโกรธเป็นสิ่งที่เราไปเห็นเขา้าพอฝึกมากเข้ามากเข้านะไม่ใช่ความโกรธเป็นสิ่งที่เราไปเห็นเข้าแล้ว ความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่ไปรู้ความโกรธอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนไปเห็นไม่ใช่เราไปเห็นนะแต่ว่าปุถุชนจะเห็นว่าเราเห็นปา ร, ริยะตั้งแต่โสดาเรืนไปรู้ว่าจิตมันเห็นไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราพวกเรารู้สึกไหมเราเห็นเราสุขเราทุกข์ เราดีเราชั่วเมื่อก่อนท่านพุทธทาสท่านชอบ พ, พูดไม่มีตัวกูของกูไม่มีตัวเราของเราหลายคนฟังแล้วเมานะก็คิดเอาว่าน้งไม่ใช่เราอันนี้ก็ไม่ใช่เราไม่มีเราเลยกศีล ส, สมาธิปัญญาก็ไม่ต้องทำเพราะมันไม่มีเราแล้วไปทำมันทำไมไอันนี้มันหลงอยู่ในความคิดทั้งนั้นเลยนะเราต้องมาเจริญสตินะมาภาวนา มารู้มาดูของจริงไปเรื่อยๆทีแรกมันเราโกโรธนะก่อนจะเห็นเราโกโรธเนี่ยไม่เห็นว่าเราโกโรธ ด, ด้ยวยซ้งไปเห็นแต่ว่าไอ้คนเนี้ยทำให้เราโกโรธไอ้คนทั่วไปไมันเห็นอย่างนี้ไอ้คนเนี้ยทำให้เราโกโรธพอเรามาหัดภาวนาเบื้องต้นเราจะเห็นว่าไอ้นี่มาย่วให้เราโกโรธนะแล้วต่อมาก็จะเห็นอความโกโรธกับจิตโคลานกันนะความโกโรธ เป็นของถูกรู้ไอตัวจิตคือตัวเราที่เป็นคนรู้ฝึกเรื่อยๆต่อไปนะมันจะมีความโกโรธอันนึงนะจิตอันหนึ่งนะไม่มีเราไม่ใช่เรารู้นะแต่จิตรู้ไม่ใช่เรากโกโรธฝึกแล้วมันจะค่อยละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปท่านพุทธะท่านไม่ได้สอนผิดนะแต่คนที่อ่านมักจะ ตามใจกิเลสปัญญาฟุ้ง้านลำหน้าไปหรวงพ่อเคยไปถามท่านเองนะว่าถ้าผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกเล่มผมจะได้โสดาไปครับท่านตอบพูอะเลยนะไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติหรอกต้องปฏิบัติหอต้องเจริญสติทำสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจไป ทีแรกมันจะเห็นะร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเป็นของถูกรู้ถูกดูเราเป็นคนดูต่อไปเราก็จะเห็นเองความสุขความทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเราเป็นคนดูกุศลอกุศลรอบกรดหลงเป็นของถูกรู้ถูกดูเราเป็นคนดูที่พวกเราทําได้ตอนนี้คือแค่นี้เราเป็นคนดูนี่ค่อยภาวนาไปเรื่อยนะก็เห็นการทํางานของร่างกาย การทำงานของเวทนาคือความสุขทุกข์การทำงานของกุศลแอกุศลคือตัวจิตตสังขารแล้วต่อไปเราจะเห็นการทำงานของจิตจิตเองก็เกิดดับจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วก็ดับจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วก็ดับ เวลามีจิตเกิดขึ้นมาเมื่อกี้บอกแล้วจะต้องเกิดร่วมกับเจตสิกนะเวทนาเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงเราั้นเวลามีจิตขึ้นมาต้องมีสุขมีทุกขหรือมีเฉยๆขึ้นมานะต้องมีต้องมีความจําได้หมายรูนะ้สัญญาเกิดกับจิตทุกดวงนะความจําได้หมายรู้ไม่ใช่ไปฝึกไม่จําได้ไม่หมายรู้ นะพยายามเอ่อให้เต็มที่นะมันก็หมายรูย้อนะีกฮะห้ามมันไม่ได้หรอกนะี่ค่อยๆดูของจริงไปเรื่อยๆนะไม่ยากไม่ยากอะไรฟังแล้วยากนะค่อยหัดดูไปต่อไปเราจะเริ่มเห็นขันทีละส่วนทีละส่วนนะไม่ใช่ตัวเราของเรา เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะแต่ร่างกายเป็นของเราขณะ น, นี้พวกเราเห็นได้แค่เนี้ยถ้าเรามีสติเห็นตัวนี้ก็ุกติกนะเราจะรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึง่งมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่มันเป็นของเรานะเป็นของเรารนยนต์เป็นเป็นตัวเราไหมรนยนต์แต่รดยนต์จะเป็นของเราใช่ไหมออร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องยนต์อันหนึ่งนะ เป็นรูปเป็นเครื่องยนต์อันหนั้นมันก็เคลื่อนไหวไปมีพลังงานไม่เติมน้ำมันไม่กินอาหารไม่หายใจอัไรไม่ทำงานไม่ได้แล้วก็ใครเป็นคนขับรถรถยนต์ก็ต้องมีคนขับจิตเป็นคนขับไอ้รุ น, นตัวนี้ร่างกายตัวนี้สั่งให้มันยืนให้มันเดินให้มันนั่งให้มันนอนจิตเป็นคนสั่ง งั้นจิตเป็นคนขับรถนะร่างกายเป็นรถยนต์เนี่นคยค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเห็นโอร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกเป็นแค่วัตถุธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองตรงนี้พวกเราคนไหนรู้สึก ไ, ได้แล้วบ้างยกมือสิรู้สึกไม่ใช่รู้สึกตลอดนะหมายถึงรู้สึกได้เป็นคลาวๆก็อโอเคยกมือหน่อยมีไม เห็นไหมตรงเนี้ดูไม่ายนะแล้วเวลาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะดูออกไหมว่าสุขทุกข์ก็ถูกรู้จิตเป็นคนรู้มันสุขทุกข์จะไม่ใช่เราขณะนี้สุขหรือทุกข์ดูออกไหมดูลงไปที่ความรู้สึกสุขทุกข์ซิแค่รู้สึกนะไม่ใช่ดูจริงๆรู้สึกมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้เรารู้ไหมความรู้สึกว่าสุขว่าทุกข์ ไม่ใช่เราความรู้สึกว่าสุว่าทุกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่คยค่อยๆดูไปความจำบางทีก็าจาได้บางทีก็าจาไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่คยค่อยๆดูไปว่าความจามันจะมีขึ้นมาหรือมันจะลืมอะไรเงี้ยไม่รู้หรอกที่จริงสัญญาไม่ใช่แค่ความจาแบบนี้นะสัญญาเป็นความจาหลายระดับ อย่างอยากกอจาได้นี่คนนี้ชื่อนี้นะพ่อมันชื่อนี้แม่มันชื่อนี้อะไรเงี้ยจาได้อย่างนี้จาได้ว่านี่สีเขียวนี่สีแดงเนะียต่อไปจำอีกสเต็ปหนึ่งนะสีเขียวเป็นสัญลักษณ์แปลว่าให้ไปได้สีแดงแปลว่าให้หยุดนะสีเหลืองแปว่าให้รีบๆหนีไปให้ผลนนะนะสีเหลืองเมืองไทยนะ ไปเมืองนอกเมืองฝรั่งที่มันเรียบร้อยนะเห็นไฟเหลืองมันหยุดละของเราจะต้องรีบเร่งไปให้เร็วกว่าเขาเนะ น, นี้ยจําสั ญ, ญลักษณ์ไดนะ้หมายรู้ลงไปว่ตัวนี้แปลว่าตัวนี้ตัวนี้นสั ญ, ญลักษณ์จะละจรทั้งหลายนะหรือห้องน้ำใช่ไหมผู้หญิงมีตุ๊กาตาผู้หญิงนั้นนุ่งกระโปรง ผู้ชายก็ยืนเฉยๆสั ญ, ญลักษณ์บางคนก็ทำสั ญ, ญลักษณ์ต่างๆไปอย่างที่ญี่ปุ่นนะห้องน้าผู้ชายก็มีผ้าสีน้าเงินแป้างหน้าเพราผู้หญิงสีชมพูที่ไม่บอกตุกตานะเราก็ไม่รู้เออเราชอบสีชมพูสมมติเข้าไปเนี่ยสั ญ, ญลักษณ์อันนี้สัญญาเราแปลไม่ออก สัญญาที่ลึกลงไปอีกมีมีหมายรู้หมายรู้ถูกก็บหมายรู้ผิดหมายรู้ผิดคือหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่า ง, งามอย่างเรารู้สึกเหมือนหน้าตาเรานี่เปล่งปลั่งสวยงามจริงๆไม่ล้างหน้า ตื่นนอนมาไม่ล้างหน้านะหน้าตาเหมือนข้าวมันไก่เลยเหมือนไก่ตอนนะหน้าลื่นๆมันๆห น, น, น่าเกลียดใครตื่นนอนมาแล้วรู้สึกว่าหน้าตาตัวเองน่าเกลียดบ้างมีไหมยกมือหน่อยสิยกมือหน่อยหลพาอจะดูระดับสติปัญญาในทางธรรมะนะตื่นขึ้นมาอ้ oo, ฉันสวยนี่เพียนหนักเลยนะตื่นขึ้นมาปากหอมไหมหอม ดมเปล่าไม่ได้ดมแต่ตอบได้ลอจิกลองดมสิตัมไม่ได้ตอนนี้ปิดปากที่จริงได้นะลองเป่าเป่าลมสิไม่ต้องถอดหน้ากากนะลองเป่าลมไปเราจะรูนะ้เนื้อของสกปรกนะของไม่สวยไม่งามไม่รู้ว่าสวยว่างงามนี่เรียก ว, ว่าสัญญาพิปรารถ ของไม่เที่ยงหมายรู้ว่าเที่ยงจิตใจเราเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเราเชื่อจิตมีดวงเดียวจิตดวงนี้วนเวียนเกิดนะเกิดตายอะไรเนี่ยร่างกายมันตายไปเราก็ไปจิตดวงเดิมออกไปหาร่างกายใหม่อยู่อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะที่จริงจิตเกิดดับตลอดเวลาเราหันภาวนาสักพักหนึ่งกับหลวงพ่อก็จะเห็นนะ จิตเดียวก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับค่อยๆดูไปของไม่เที่ยงหมายรู้ว่าเที่ยงของเป็นทุกข์หมายรู้ว่าสุขของไม่ใช่ตัวเราหมายรู้ว่าเป็นตัวเรานี่เรียกว่าสัญญาวิปราสนี่ตัวสัญญานะแล้วสัญญาที่ไม่วิปราสก็หมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าไม่สวยไม่งาม หมายรู้ของที่มันไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ของที่ไม่ใช่ตัวเราก็าหมายรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเรานี่หมายรู้ถูกความหมายรู้ถูกเนี่ยเราจะเอามาใช้ตอนทำวิปัสสนากรรมาฐานถ้าไม่มีสัญญาที่ถูกจะทำวิปัสสนาไม่ได้มันจะรู้อยู่เฉยแต่ไม่มีการหมายรู้ที่ถูกถ้าหมายรู้ถูกแล้วต่อไปปัญญาจะเกิด บางคนพูดแบบมัก ง, ง่ายนี่เหนึ่งนะว่าเพราะสัญญาและอะไรปิดกั้นปัญญาเอาสัญญากับปัญญาไปเข้าคู่กันทําไมเอามันไปเข้าคู่กันเพราะมันมีคําว่ายาเหมือนกันนะเหมือนเอาสมมุติกับวิมุติไปเข้าคู่กันนะเพราะมีคําว่ามุดเหมือนกันนะอันนี้มัก ง, ง่ายนะมันไม่ได้คู่กันอย่างนั้นสมมติมคู่กับปรมัตนะ สัญญาจําเป็นนะื่อเราหัดมองทําไมบางคนมีสติรู้สึกอยู่ในกายแล้วจิตไม่เจริญวิปัสนาเพราะจิตไม่รู้จักการหมายรู้กายในมุมของไตรักษณ์หรือทําไมดูจิตดูไปแล้วจิตว่างๆไม่ทําวิปัสนาเพราะจิตไม่รู้จัก การหมายรู้ในความเป็นไตรลักษณ์ในมุมของไตรลักษณ์ถ้าจิตมันอย่างเราทาสมาธินะจิตถอยออกเก่ยวสมาธิแล้วก็เฉยเฉยอยู่เนี้ยไม่เดินปัญญาครูบาอาจารย์วัดป่าระจะสอนคิดพิจารณาร่างกายลงไปอันนั้นคืออะไร น, นั้นคือการกระตุ้นสัญญาให้คิดพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นไตรลักษณ์ ร่างกายเนี่ยอย่างเส้นผมเส้นผมเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะเส้นผมทีแรกก็งั้นแค่นี้แตมาก็ยืดไปยืดไปนะยืดได้เต็มที่ก็หลุดไปเนะนี่ยอุสาทะนุทน่อก็หลุดไปเส้นผมนะอุสาดูแลอย่างดีเลยถึงว่าหนึ่งเปลี่ยนสีไปนะเนะี่ยค่อยๆหมายรู้อย่างเลยเป็นการหัดหมายรู้เพราะงั้นที่ ครูบาอาจารย์ยตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ทั้งหลายท่านพิจารณากายเนี่ยท่านกระตุ้นสัญญากระตุ้นสัญญาให้หัดหมายรู้ให้ถูกและตอนที่วิปัสสนาจริงเกิดเนี่ยไม่ได้เจตนาหมายรู้แต่จิตมันหมายรู้ของมันเองไปนั่งคิดไปจนตาย่างบางคนไม่ทําสมาธินะบางที่สอนกันเลยไม่ต้องทําสมาธินะ คิดไปเลยคิดคิดคิดนะใจเนี่ยิ่มเอิบเบิกบานคิดในร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรานะคล้ายๆไปอ่านหนังสือเสร็ะอ่านแล้วก็เพียนไปอย่างนั้นนะโปร่งใจโลง่งสบายนะอันนี้ไม่มีปัญญาจริงหรอกมันคิดเอาอย่างเดียวนะปัญญาต้องเกิดจากสมาธิที่ถูกต้องเราะฉะนั้นถ้าจิตไม่ส่งสมาธิที่ถูกต้องปัญญาไม่เกิด มีสมาธิอยู่เฉยๆไม่มีสัญญาเข้าไปหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนปัญญาก็ไม่เกิดด mm. งนั้นมีเงื่อนไขหลายตัวนะที่จะทำให้เกิดการทำวิปัสสนาจนกระทั่งได้ปัญญาขึ้นมาเ mm. งินใจต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดู mm. แล้วก็มีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมา มีสัญญาหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรู ป, ปรธรรมนามธรรมาแล้วปัญญาจะเกิดจะเกิดความเข้าใจปัญญาคือตัวความเข้าใจถ้าเราหมายรู้ผิดมันจะเข้าใจผิดมันจะคิดผิดแล้วมันก็เข้าใจผิดถ้าหมายรู้ถูกมันก็คิดถูกเข้าใจถูกนั้นไม่ชาิทิฏฐิมันมาจากไหน มาจากการคิดผิดมันคิดผิดเพราะมันหมายรู้ผิดก็เลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิสมาธิมันมาจากไหนมาจากจิตที่ถูกต้องจิตที่หมายรู้ถูกเพราะฉะั้นเราก็ฝึกขั้นแรกเลยหัดรู้สภาวะไปอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจรู้สึกสติจะเกิด ต่อไปพสติหรือรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดในครูบาอาจารย์จะเน้นจิตหลงคิดแล้วรู้หลงคิดแล้วรู้เพราะหลงคิดเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดนะนนก็เล่นของเกิดบ่อยๆนี่แหละจะได้จับได้แม่นเห็นจิตหลงคิดจิตหลงคิดปุ๊บรู้หลงคิดปุ๊บรู้ก็ได้สติก็เกิดทันทีที่รู้ว่าหลงคิดจิตจะตั้งมั่นสมาธิจะเกิด ความจริงกโกรธเรารู้ว่าโกรธจิตก็ตั้งมั่นนะถ้ารู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเมื่อไหร่จิตจะได้สมาธิที่ถูกตรงนี้บางคนเด่นแล้วก็เลยพลาดอย่างพวกที่เรียนตำราเยอะๆเรียนเอาพิธงพิธพธรรมอะไรนะก็คิดว่าถ้ารู้สภาวะนะที่จริงรู้ด้วยการคิดมันยังไม่ได้เห็นสภาวะจริงนะจะเห็นสภาวะจริงว่าต้องฝึกให้ใจเป็นคนเห็นให้ได้ก่อน ถ้าไม่เคยฝึกใจให้เป็นคนเห็นนะไม่เห็นสภาวะไม่ได้เวลาสภาวะเกิดนี่โกรธหนอโกรธหนออะไรเงี้ยนะตัวจิตผู้รู้ไม่เกิดนะฟังแล้วยากไหมย่ามาไม่ยากเลยฟังอะไม่ยากหรอกมีหูหูไม่หนวกก็ฟังได้ทุกคนเลยนะแต่เป็นฟังแล้วมันจะเข้าสมองหรือมันจะเข้าใจนะมันยากตรงนี้ท่างห่าง เข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังจำไม่เลยนะเสียงมันเข้าหูแล้วก็ถ่ายทอดไปที่สมองธรรมะจะเข้าใจได้ต้องเรียนด้วยใจต้องเรียนด้วยใจขั้นแรกเลยฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้ทันตรงที่รู้ทันนั่นแหละเรียกว่ามีสติคอยรู้สึก สติเป็นตัวรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายของใจ <Yeah. S 1> งั้นขั้นแรกเนะี่ยต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะ <Yeah. S 1> ก็ค่อยรู้นะระลึกรู้รู้สึกไปรู้สึกว่าร่างกายกําลังคันแนละ้วรู้สึกว่าอยากเการู้สึกว่าเการู้สึกว่าหายคันนะ สบายใจรู้สึกว่าสบายใจเนียรู้สึกไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆตรงที่เราหัดรู้ไปเรื่อยๆนะสติเราจะเร็วขึ้นเรื่อยๆต่อไปอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจนะจ ะ, ะระลึกรู้ได้อย่างรวดเร็วสติในตำราเ็าชอบแปลมาความะระลึกได้นึกออกไหมสติเป็นความะระลึกได้เห็นไหม สัมปชัญญะเป็นความรู้ตัวนี่เราคอยะระึกรู้แค่แค่แค่รู้แค่รู้สึกพูดภาษาที่ง่ายๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกถ้ารู้สึกได้ถูกต้องจิตจะตั้งมันจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาอีกนะสติก็ทำงานไปสมาธิก็เกิดสติทำงานไปสมาธิก็เกิดในที่สุดสติก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ มันก็หมายรู้ไปด้วยนะมีอีกตัวหนึ่งตัวหมายรู้ร่างกายเคลื่อนไหวแต่หมายรู้ผิดว่ากูกำลังเคลื่อนไหวนะหรือหมายรู้ผิดว่ารูปกำลังเคลื่อนไหวนี่ยมันผิดตรงไหนหมายรู้ว่ารูปเคลื่อนไหวมันแค่เปลี่ยนคำว่าตัวกูไปเป็นรูปเท่านั้นเองแต่ใจมันยังรู้สึกว่าเนากกี่ยกูเพราะงั้นมันก็ยังหมายรู้ผิดนะถึงยังบอกรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ ก็ได้แต่พูดมันไม่ได้จริงงั้นจะต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อก็ตัวก่อนตัวนี้ฝึกยากที่สุดเองพระมาะบวชกับหลวงพ่อเนี่ยกว่าจะจิตใจอยู่กับ เ, เนื้อก็ตัวนี้เป็นเดือนนะบางองหลายเดือนนะะถัดจากนั้นเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจใเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกทีแรกก็รู้สึกเฉยๆนะต่อไปก็ต้องเติมรู้สึกในความเป็นใจลักของมันนะอย่างหมอเนี่ย เองกับหลวงพ่อมาพักหนึ่งแล้วหลวงพ่อสอนตอนเนี้ยเวลาความรู้สึกเกิดนะดูมันเป็นไตรลักษณ์ทีแรกก็จงใจดูก่อนตรงจงใจดูยังไม่ใช่วิปัสสนานะตอนที่หมดความจงใจนะ่ะถึงจะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาสมาธิกจะเกิดแล้วก็ไม่คิดไม่ต้องคิดละไม่ต้องจงใจหมายรู้ละอไปกินข้าวไปมีขนมเข็งกินไ้มวันเนี้ย ถ้าไม่มีนะถือว่าไม่ถูกกาลเทศะนี่หมดนะครับ